นาปฏิวัณพิกษณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ968 1. พิกษณีไปกับกองเกวียน 2. พิกษณีไปในสถานที่ปลอดภัยไม่มีภัยน่ากลัว 3. พิกษณีผู้มีเหตุขัดข้อง 4. ี่พิกษณีวิกลจริต 5. ้พิกษณีต้นบัญยัติสิ่ขาบทที่8จบ